การต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะสู่กันฟังนั่นอาการจะพูดธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมมันมีอยู่ขั้นแรกเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเข้ามาสองอย่างเนี่ยลักษณะของสมถะนี่อีกอย่างหนึง่งลักษณะของอวิปัสสนานี่อีกอย่างหนึง่งดังนั้นคาว่า ลักษณะของสมถะเนี่ยมันมีเชดลับอยู่ว่าสมถะคือเราใช้คำบริกรรมคำบริกรรมนี่ก็เปรียบเหมือนว่าเราเอาสมาธิมากดจิตในจิตมันชิดให้อยู่กับความบริกรรมเมื่อเราเอาสมาธิมากดจิตบริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เนี่ยจนสามารถฝึกจิต จนจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิแล้วนะ่ะเราก็สามารถเนี่ยใช้พลังกิตใช้พลังกิตไปเป็นนิมิตก็ได้หรือจะไปดูอะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยพลังกิตอันนี้มันจะมีมันจะมีฤทธิ์เกิดฤทธิ์ เราสามารถรู้นั่นรู้นี่อย่างงั้นอย่างนี้ที่ครูอาจารย์ขเขารู้กันรูน้ในมิตรบ้างารู้เลกรู้หัวยอะไรต่างๆ น, น, านานี่ลักษณะนี้นี่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่ดังนั้นการที่เราเอาสมาธิมากดจิตเนี่ยถ้าหากว่าปัญญาของสมถาเกิดขึ้นมันจะเป็นปัญญาปฏิหารนะนี่อีกลักษณะหนึ่งทีนี้ลักษณะที่สองเนี่ยคือเราเรียกว่าภาวนา เรียกว่าวิปัสนาเนี่ยแต่ว่าสมถะกับวิปัสนาน่ะมันแยกกันไม่ออกอยู่ด้วยกันมีสมถะต้องมีวิปัสนาเนี่ยถ้าไม่มีเว็บสมถะวิปัสนาก็เกิดไม่ได้เหมือนกายกับใจแล้วนี่ละมีกายก็ต้องมีใจเนี่ยถ้าไม่มีใจก็ไม่มีกายเมื่ออยู่ด้วยกันคู่กันอย่างนี้กายกับใจมันเป็นคู่กันรูปกับนามก็คู่กันชั้นเองก็เหมือนกันสมถะกับวิปัสนาก็เป็นคู่กันแต่สภาวะเราไปรู้เนี่ยมันจะเป็นของสองอย่าง ลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะสมะัะลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของวิปัตนาดังนั้นที่เราทําสมถะหรือคำมโบริกรรมเนี่ยนะไม่จะไม่จะเป็นรูปแบบไห น, นก็ตามถ้า ม, มีคำโมริกรรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเอาสมาธิกดจิตนี่ดังนั้นคําว่าวิปัสนาเนี่ยเราจะไม่เอาสมาธิกดจิตเฮ้ยทำไมถึงว่าไม่ไม่เอาสมาธิกดจิตทําอย่างไร คือปล่อยให้กิจมันคิดไปตามธรรมชาติของกิจลักษณะของกิจเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างนั้นจะปรุงแต่งคิดไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยปล่อยไว้อย่างนั้นแต่เรามีอีกอุบายอย่างหนึ่งว่าให้เราเอาสติไปตามรูปตามรูปกิจตามดูกิจคิดมันคิดก็ดูก็รู้มันไม่คิดก็รู้มันอยู่เฉยเยก็รู้แล้ว เ, เอาสติไปตามรูป ลักษณะเอาสติไปตามรู้ความชิดความคิดเนี่ยเป็นลักษณะที่เราสร้างปัญญาโดยตรงนี่เราเป็นลักษณะของเราสร้างปัญญาโดยตรงนะคือเราปล่อยไปคิดคิดก็ช่างไม่ชิดก็ช่า ง, งเราไม่สนใจกับความคิดนี่เราจะสนใจกับความกับสติ น, น, น, นี่ถ้าดังนั้นท่านพ้รูท่านเนธทังไดมีอุบายอุบายก็คือว่าหนึ่ง ให้เราเดินจมกลมให้เราเอาสติมาอยู่กับกายนี้สองให้เรายกมือสร้างจังหวะเกตนาสร้างจังหวะขึ้นเอามือสร้างจังหวะเอามือเข้าเอามือออกตามรูมือตามรูเท้าที่มันเดินไปเดินมาตามรูมันหัดหัดรูจุดจุดนี้ไม่ใช่ว่าบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ใช่บังคับแต่เรามีอุบายอีกอย่างหนึ่งคือพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึก เปลียนจากความคิดเป็นความรู้สึกนี่ตัวรู้สึกเนี่ยเราถึงได้มีอุบายถึงมีฐานก็คือให้กลับมาอยู่กับกายเคลื่ อ, อนไหวนี่ละมากลับมาดูกายหาอุบายให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันให้มันให้มันสัมพันธ์กันนี่นี่ลักษณะเนี้ลักษณะที่กายกับใจมันอยู่ด้วยกันนี้ก็คือว่าลักษณะของสมถะเหมือนกันนี่นะแต่สมถะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นอิทธิพปติหานนี่ ลักษณะอันนี้พอพอพอพอจิตมันอมันมีความรู้มัมัน ม, ไมัไม่ได้คิดน่ะกิตมันได้คิดกิตมันก็จะเลินงอกงามนี่คือกิตในถ้าคิดทีไหนมันเหมือนเหมือนทําถูกทําลายทีนั้นเหมือนเราตีหรือเราเคียนเด็กตีเด็กทําลายเด็กเนี่ยแต่เด็กมันสนแล้วไปตีอันนี้มันก็เก็ดกิตของเราก็เหมือนกันหรือหากว่าเราใช่คนเด็กเด็กไปแบกของหนักอย่างเนี้ยหรือไปทํางานหนักอย่างเนี้ย มันก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ขั้นแรก็เหมือนกันจิตที่มันคิดอยู่คิดเรื่องนั้นนี่คือกิตทํางานคือกิตไม่คือจิตไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนทีนี้ถ้าหากว่าเรากําหนดรู้อยู่อยู่กับกายแล้วไม่ไม่สนใจกิตหรือไม่สนใจความคิดเนี่ยนะเราไม่ใช่ว่าเรากําหนดรู้ความคิดหรอกเราเราไม่ตามจะ เหมือนเราตามดูความคิดแต่เรามาดูกายเคลื่อนไหวนี้พอเรามาดูกับกายเคลื่อนไหวความคิดมันก็หยุดเองคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากคิดเป็นเป็นความรู้สึกเปลี่ยนจากคิดเป็นมาความรู้สึกเปลี่ยนจากคิดเป็เปลี่ยนไปเปลี่ยนหาโอกาสคิดไม่ได้จิตของเรานี่แต่ความรู้ทั้งนั้นมีแต่สติทั้งนั้นสติตามรู้สติตามรู้สติตามรู้สติไถ่ถอนออกก็ออกจากความเป็นทาตของความคิดจิตเราก็เป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระเนี่ยนะจิต มันก็เป็นธรรมชาติเจริญเติบโตเมื่อจิตเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วเนะี่ยกิจเรามันจะไม่กลัวอารมณ์ทุกต่างๆอารมณ์จะจากเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออดีตอนาคตเราเราก็ไม่กลัวเพราะว่าจิตของเราแข็งแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆคือมันจะไม่ปรุงไม่แต่ง น, น, นี่ลักษณะนี้คือลักษณะของ สมถะที่เกิดปัญญาเนี่ยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิดีกายกระใจมันอยู่ด้วยกันกายกระใจมันสัมพันธ์กันที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่ารูปธรรมนามธรรมทอทะอัมธรรมรูปไหนใจอยู่นั่นรูปอยู่ไหนใจอยู่นั่นอ่ากายอยู่ในใจอยู่นั่นเนี่ะเป็นคู่กันนี่คือลักษณะของของของสมถะของสมถะชนิดเจริญพัฒนาเนี่แต่ทีนี้ถ้าจเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย พอเข้าจุดนี่พับนี่จิตกับตายมันสัมพันธ์กันแล้วเ่ยมันจะเกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมานะมันจะเกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาคือ <c oughs> มันจะเป็นลมอารมณ์ของวิตกวิจารหรือวิภาควิจารนะทีนี้อารมณ์อันนี้มันมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นปัญญาเริ่มเกิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญญาของวิปัสนามันเป็นปัญญาของวิตกวิจาร์ นี่เนี่ยแต่ถ้าถ้าใครก็ตามนักปฏิบัติถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมักจะหลงกับความรู้เจ้าของมักจะหลงปัญญาเจ้าของเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราไม่เ ร, ไมเราไม่รู้จักปัญญาั น, นี้เราไม่รู้จักเราไม่เคยคิดมาสักทีเราไม่เคยไม่เคยเห็นมาเลยแต่พอมันเกิดมาปับเนี่ยเราเลยดีใจนึกว่านึกว่ามันใช่นี่แต่มันก็ใช่ นะแต่มันก็ใช่เป็นปัญญาอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นายาของคุณวัฒนามันเป็นญาของมิตุพิจารณ์ถ้าเราจับจุดนี้ได้แล้วเนี่ยเราอย่าไปอยู่กับตัวปุงตัวแต่งนีในน่ให้เรากลับไปอยู่กับสติอยู่กับกายตามตามเดิมให้เรากลับไปอยู่จุดนี้นี่คือจุดแฉ จ, จุดแฉก็จุดเดียวนี่แหละคือจุดสติเนี่ยหาสติให้มันเห็นแห้สติอยู่กับก า, าย่ห ล, ลายๆนี่คือจุดแฉแก้อารมณ์มิตุพิจารณาแก้จุดนี้นี่ทีนี้ถ้ามันเกิด ความรู้ชนี้ดิดขึ้นมาเนี่ยอยากกับเทศแต่มันเริ่มอยากกัเทศพูดธรรมะจะบ ก, ก็เริ่มพูดเป็นแล้วเดินคนอยู่คนเดียวกจะเทศเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปแล้วเดินอยู่ความียวมีแต่เทศอืมนี่เมื่อเป็นยา่นี้เราก็อย่าอย่าไปไปไปหลงกับความเทศความสอนความคำปัญญาเนี่ยมันเกิดพยายามกลับไปอยู่กับสติตามเคยสติอยู่กับกายนี่ละกลับไปอยู่ความรู้สึกกับกายตามเคยซะ ก, ก่อนจนับตัวนี้หลักนี่อย่าไปทิ้งหลักสติอยู่กับกายลอย่าไปทิ้งนี่ เนี่จุดเด่นของการเจริญติคือจุดนี้สติของกายแม้พระพุทธเจ้าท่านก็กยังปัดไปเลยว่าสติปฐานสูตรหรือสติปฐานสี่กายานุปัฏนาเวทนานุปัฏนาจิตตานุปัฏฐาธรรมานุปัฏนากายานุปัฏนาเนี่ยขอให้เราเน้นตัวนี้ก่อนนี่เน้นตัวกายานุปัฏนานนี่ก่อนยาไปด่วนข้ามคันถ้าเราดวนไปดูเวทนาดูกิตดูธรรมดูความคิดมันไม่ได้มันข้ามครั น, นั้นเรามาเรามาตั้งหลักอยู่ตัวนี้ก่อน ตั้งหลักอยู่กายยานุปัฏฐานเนี่ยก่อนดังนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็กลับมาอยู่นี้เนี่ยอารมณ์ไม่ตกวิจารอะไรต่างๆนานาเนี่ยพออารมณ์ไม่ตกวิจารเข้ามาพับนี่อารมณ์ง่วงมันก็จะผ่านมันจะผ่านไปแล้วอารมณ์หงุดหงิดตุ้งแตกมันก็จะผ่านบัตทีนี้มันจะเริ่มได้อารมณ์ขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ความเพียรมีแต่ความขยันมีแต่ความเบาความโลงนี่เข้าจุดนี่แหละความเหนื่อยความเพียรมันไม่มีแวความหงุดหงิดตุงแตกอะไรมันไม่มีแล้ว นี่พนี้มันได้อารมณ์แล้วดังนั้นการจะเดินนาติของเราเดินให้ถึงอารมณ์เดินให้ถึงจุดนี้ก่อนนะเดินให้มันถึงจุดนี้อั้งใจสมาทานตัดสินใจตั้งวิรั์ให้มันถึงจุดนี้ก่อนถึงจุดได้อารมณ์นะนี่นี่แค่อารมณ์ขั้นต้นเท่านะั้นอามนิดน้อยเท่า น, า, น า, นานั้นนี่แต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนี้เราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากอุปรสรรคของการเดินนาตินั้นด่านแรกคือความห่วงนะ ด่านแรกคือความง่วงนี่มันจะมาก่อนดังนั้นความง่วงเนี่ยเราต้องสู้ต้องสู้มากมากสู้กับความง่วงนี่ถ้าเราแพ้ความง่วงเน่ยคือเหมือนเหมือนเหมือนนักมวยเขาแพ้มวย in น้ามแรกนั่นแหะเนี่ยเริ่มแรกขั้นต้นของกามรมาทานคือความง่วงนี่ออกจาความง่วงมันจะเป็นเป็นอารมณ์กางนี่มันจะเป็นด่านเพราะมันยอยนู่อย่างนี้ดังนั้นเราเราต้องฝ่าฟันของสองอย่างมากมากทีนี้นาวว ก, นการการเอาชนะความง่วง มันมีอุบายหลายอย่างแล้วเราก็ต้องดูอีกว่าหากว่าคนจิตของคนใดมันแข็งแรงไม่ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ปวดหัวไม่แน่นหน้าอกไม่วินไม่เวียนเนี่ยอันนี้เราต้องสู้กับความวามืดตรงๆไม่หนีจากทางจงจงจะง่วงก็สู้อยากอะไรก็สู้เดินอย่างผมใส่มันอยู่นั่นละนี่คือลักษณะของผู้ที่จิตเช่นแข็งคือไม่อารมณ์เช่นเพียงคือไม่มีการปวดหัวไม่มีการมึนหน้า หรือเป็นการเบื่อกันเป็นอะไรมีแต่ความง่วงอหรือกับอารมณ์การอะไรต่างๆนะเท่านี้เองพวกนี้จะต้องสู้ตรงๆสู้ตรงๆอย่าเป็นหนีอถึงง่วงก็เดินไปอยู่นั้นละง่วงก็ทําไม่ง่วงก็ทำํำจะเป็นอะไรก็ทําอยู่นะ น, นี่คือพวกนี้คือคืออีกพวกหนึน่งทีนี้พวกที่สองเนี่ยจะสู้ตรงๆไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญหาเดินจมกอไปเดินลง ม, มาปวดหัว เดินลงไปปฏิบัติทําไปปฏิบัติบรรย์ยกมือสร้างบาปไปสร้างแกวามาเนี่ยมีการเบื่อกการเสียงแน่นหน้าอกพวกนี่สู้ตรงๆไม่ได้เพราะว่าอะไรภูมิจิตของพวกนี่ยังอ่อนแออยังอ่อนแออยู่เวทนายังอ่อนแออยู่สู้ตรงๆไม่ได้พวกนี้ต้องหายวิธีวิธีลีกเช่นถ้าหง่วงมาหนักหนักก็ออกจากจากทางจมกมไปไปดูต้นไม้อ หรือเรียกว่าโยนความคิดมาอยู่ที่โล่งๆเดินดูไกลๆไปดูกต้นไม้ดูภูเขาไกลๆกลับไปดูให้ชัดๆต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงไหนง่ายจริงอยู่ตรงไหนใหญ่ให้ความรู้สึกที่ตัวเราโยนโยนความรู้สึกไปนู่นให้หมดอยู่กับต้นไม้นะหมดดูไปดูมาแล้วโยนกลับขึ้นมาเองมาอยู่ที่ตัวเราให้มมตติมาดูตัวอีกยกมือเล่นๆหรือเดินวนกลมเล่นๆดูไปดูมาโยนไปอีกไปดูต้นไม่อีกหรือดูก้อนเมฆรู้อะไรอีก ดูอีกนี่หรือหากว่าเราอยู่ใกล้ทางรถพอสายตาจะมองเห็นรถให้ดูรถแล่นผ่านตามถนนนี่รถแั้ว น, นี่ขั้นสิบล้อได้อันนี้รถเก๋งได้อันนี้รถอีแตนได้ดูรถมอเตอร์ไซค์ได้ดูดูจนว่าคิดอยูก่กับตัวเราไม่มีไปอยู่กับตัวความรู้สึกกับตัวเราไ ม, มไปอยู่กับตัวนน่นหมดนี่เขาเรียกว่าโยนความคิดลักษณะนี้ก็ได้ดูไปดูมาดูไปมันก็คลายอารมณ์หรือมันก็ผ่านได้ความห่วงแต่ลักษณะนี้เมื่อผ่านได้มันจะเกิดอีก เม <internation> <ter> ื่อผ่านได้มันจะเกิดอีกคือเขาบอกว่าสู้มันไม่ใช่สู้ตรงๆมันหาวิธีอ้อมหาวิธีอ้อมหาวิธีสู้อุบายเนี่ยนี่หาอุบายทางออกลักษณะนี่มันจะหามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆความม่วงมันจะไม่ชนะนี่นี่ลักษณะอย่างเนี้นะดังนั้นบางคนเนี่ยถ้าเขาสู้ตรงๆเขายกมือแรงๆขึ้นสูงๆเดินก็ใส่เลยเนี่ยอันนี้เขาถ้าผ่านได้เขาจะได้เขาจะผ่านได้สวยมากนี่ย นี่คือคือวิธีแก้ความวง่วงแล้วก็าหาอุบายจากจากความวง่วงนี่แล้วทีนี้ออกจากความวง่วงถ้าเราพิจารณาความง่วงแล้วนี่นะอารมณ์กามเนี่ยนี่มันเป็นด่านที่สองอารมณ์กามจะต้องไปเจอทุกคนนะขันแรกๆนอารมณ์กามเนี่ยยังไม่หน่นะทีนี้อารมณ์กามเนี่ยเราถ้าอารมณ์กามเกิดเราไปพิจารณาอสุภาษกรรมฐานอะไรต่างๆมันช่วยไม่ได้หรอกช่วยได้แค่ยีสเอร์เซ นะถ้าพวกเขาใช้อารมณ์อสุภะกรรมฐานได้แท้เน่ะเข้าใจแค่นั้นแต่จะเอามาแก้ให้มันขาดร้อยไม่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจุดนี้จุดอารมณ์การใครใครก็กลัวหลายคนหลายคนหลายท่านพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันกลัวแทๆ้ๆทีนี้เราเราก็อย่าไปกลัวเราก็อย่าไปกลัวเดินตรงผมใส้ยพยายามจับกวนรู้สึกให้ชัดเจนก่อนอารมณ์การพยายามจับกวนเสือชัดเจนที่สุดคําว่าสติเนี่ย หาเสีมันเห็นชัดๆจนว่าขณะที่มันมีสติอยู่ในความคิดมันมีไหมนี่ความคิดมันมีมันมาจากไหนถ้าเราจับสติแล้วเราสาวไปที่อารมณ์การเกิดขึ้นเพรอะไรเพราะความคิดมันคิดซะก่อนจึงจะเกิดถ้ามันมีความรู้สึกมันไม่เกิดดังนั้นถ้าผู้ใดฝึกดีๆยกมือขึ้นทีสองทีสามทีแล้วเดอนในกลมสองสามรอบมันก็จัดลงมันก็จะหยุดนี่คืออารมณ์การวิธีแก้อารมณ์การนะ แล้วนั่งพออะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวจับสติได้อย่างเดียวนีส่สัก่อนไม่ต้องกลัวเนี่ยเรายืนหยัดอยู่กับสตินี่ก่อนทีนี้พออารมณ์มันเกิดขึ้นมาเราก็เอาสตินะแก้กลับไปอยู่กับสติกลับไปอยู่กับสติสตอยู่กับกายเนี่ยแก้ได้พอแก้ได้พอผ่านจากอารมณ์นี้ไปมันก็เยม่มเริ่มได้อารมณ์ขึ้นมาอีกเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาอีกแล้วเออแต่ก่อนเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เ, เล็กเ็กน้อยน้อยแล้ว ซึ่งก่อนนี่เราเห็นอารมณ์ง่วงก็กลัวเห็นอารมณ์กลามก็<ๆ>กลัวทีนี่เราเป็นผู้ผู้ไม่กลัวแล้วเป็นผู้แก้ได้แล้วนะเป็นผู้แก้ได้แล้วบางครั้งก็แก้ได้ช้าบางครั้งก็แกได้เร็วแต่แก้ได้ซึ่งก่อนเราแก้ไม่ได้แต่เด ін, เินเราแก้ได้แล้วก็ภูมิใจขึ้นมาเมื่อภูมิใจขึ้นมาแล้วความเพียรเราก็ียสูงขึ้นสูงขึ้นสติอยู่เนี่ยสติเราก็จะเห็นสติชัดเจ น, นขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นความเพียรเนี่ยเราไม่ต้องบอก ไม่มีใครบอกเราจะเป็นของเราเองมันมีมาเองมันเกิดมาเองนี่เราจะเพียนเดินจมก้มอยากอยู่คนเดียวอยากหาโอกาสอยากดีดเล่นมูทำไปทำมาทำไปทำมาก่อนที่จะเข้าใจรูปนามเนี่ยนะเราจะต้องตรงตรงสื่อๆแต่แท้นัอย่าไปหลงอยาไปหลงการอารมณ์วิตกวิจารณมาหาอารมณ์รูปนามเนี่ยระวังดีๆจุดนี้เราอย่าไปหลงกับความรูปของเรา อย่าไปล้วงกับความอยากเทศอยากสอนมันไม่อยากอยู่ได้วนะ่ะเขาเขาเรียกว่าอารมณ์อะไรละ่ะยานยานหอบเสืออยากไปนั่นอยากไปนี่นแทยเนี่ยเนี่ยยานคําว่าอารมณ์ใช่วิตุวิจารเนี่ยละ่ะอย่าไปเชื่อมันให้ปักหลักให้อยู่ตรงไหนตรงหนึ่งจนได้ให้ทําความเพียรทักมากนี่ความเพียรมากๆพอความเพียรมากแล้วเนี่ยนะมันจะเข้ามาเห็นเองเห็นอารมณ์รูปนามนี่จุดนี้แหละจุดเห็นอารมณ์รูปนามนี่ สติของเราจะชัดเกนมากผมเองเนี่ยปีปียี่สิบห้าเนี่ยอยู่วัดโมกนะผมทำจนเดินย่ำกลมเนี่ยนอนวันละหกชั่วโมงนอก น, น้นจะไม่นอนเลยกัางคืนนอนแค่หกชั่วโมงกางวันไม่ต้องพูดผมเล่นควาเพียรของผมเนี่ยสี่สิบสามวันผมทำอยู่วันที่จะเข้าใจอารมณ์รูปนามขั้ น, ท, นที่แรกเนี่ย เดินเดีมกกมเนี so mm ่ยมันรูดจักเลยล่ะขาเนี่ยโอ้ขาเนี่ยสิบกิโลเด้ขาเนี่ยสิบวันเห็นชัดเจนเห็นความเห็นกายเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นตัวจาของเดินคงเค่คงแคงเห็นชัดเจนมากมันอยู่อย่างนั้นหล่ะเห็นจนว่าโอ้คำบรรลุกับนามมันสัมพันธ์กันแท้แท้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเนียมีแต่ความรู้สึกชัดชัดไม่มีตัวไม่มีต้นไม่มีคนไม่เขาดอกเห็นอยู่อย่างนั้นหล่ะเออชัดเจนแท้แท่นี่เขเห็นอย่างนี้แล้วพับเนี่ยนะ เรเห็นอย่างนี้ชัดเจนไปชัดเจนแท้ๆเห็นนะครับชัดๆเนี่ยเทนี้เราไม่ได้คิดนะว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยัง้งเราไม่ได้คิดมันมีจิตลักษณะหนึ่งที่มันเหมือนอะไรล่ะเหมือนลูกโป่งมันแตกเนยอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันวืบพอวืบพับเนี่ยพอเราแแรเห็นอะไรเห็นตัวเรานี่ก่อนโอ้เดินอยู่ในตัวหนึ่งนี่รู้ตัวนี่ ตัวรูปที่เป็นเป็นเป็นนามตัวตัวนี้ตัวเดินอยู่นี่โอ้นี่ยตัวรูปตัวนี้เด้ตัวนี้เป็นนามมันเห็นพอแตกคภาพมันจะเห็นทันทีแล้วพอเห็นมันจะรู้ทันทีว่าโอ้ผมหมดทุกแล้วผมรู้แล้วผมรู้แตกประมาเนี้เกือบเป็นบ้าตัวเกือบเกือบจะล่องเกือบจะตะโกนไปนี่เห็นอะไรดูอะไรเป็นรูปเป็นนามไปหมดไมมีคนไม่มีสัตว์มีแต่สารธรรมทั้งนั้น โอ้มีแต่สภาวะธรรมทั้งตัวเราก็เป็นสภาวะธรรมเด้ไม่มีเรานะเนี่ยเราอยู่ไหนไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคนไม่มีตัดไม่มี ม, ม, มีสภาวะธรรมอะไรอะไรมันแจ้งออกไปหมดตอนนี้ระวังดีๆ ด, ด้วพอพอเข้าใจอันนี้พึ่บอารมณ์ของวิปสัสสนูจะมารับเอาทันทีนี่พอเราเข้าใจอย่างงาั้นพับเนี่ยความรู้เนี่ยไม่เคยร่วงกว่ารู้ไม่เคยเห็นก็เห็นทุกเนี่ยมันไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วกัความลังเลสงสัยอย่างอื่นมันหมดเลยศาสนาสอนเรื่องน้หมดความจริงแล้วเข้าใจอรมรูปนามไม่ใช่เข้าใจรูปนามอย่างเดียวเด้พราะเข้าใจรูปนามพับนมันจะเข้าใจรูปธรรมนามธรรมมันจะเข้าใจรูปโลกนามโลกมันจะเข้าใจทุกขังอิจังอนัตตามันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเด้เนี่ยมันจะเข้าใจสมมติเข้าใจศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจบาปเข้าใจบุญ สี่ห้าหกอย่างเป็นอารมณ์รูนานอย่างเดียวมันไม่ใช่อันแค่แเพาะรูปนามมันแตกออกมาเองสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้เลยลเนี่ยมันรก้ขมันไปเองมันลูกของมันเองบาปบุญไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องไปห่วงมันรู้เลยแล้วโอ้บุญแท้ๆไม่ต้องไปทําอะไรเด้อไม่ต้องเสียเงินไม่ตัดบาทเดียวเดินอย่างพรมทีนึงมีความมีสติครัง้งนึงเป็นบุญครั้งนึงสองครั้งเป็นขั้ครั้ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งเราจะเห็นได้ว่าโอ้เราทำแต่บุญตลอดยี่บี่ชั่วโมงเด้มีสติหรืนี้นี่คือบุญแท้ๆบุญนี้นี่มันเห็็นนนนนนนนอออยย่่าางงงััั้้ดพเเหี่ย ความรู้ความเข้าใจของเรามันหลายมากปัญญาเกิดมากเนี่ยคําว่าวิปัสสนาเกิดจากจุดนี้สมถาวิปัสสนาแยกทางกันจุดนี้นี่วิปัสสนากับสมถะแยกทางกันตรงนี้นะนี่กำลังแรกและเบรยเดินออกแล้วแต่ว่ามันเริ่มจับมาแต่นานแล้วแต่ยังไม่แยกกัน <c oughs> มันยังแยกไม่ออกพอเข้าใจรูปนามภาแยกแล้วเท่าไหร่เริ่มเบินไปคนละทางอับสมถะแต่ไม่ทิ้งกันนะสมถะวิปัสสนาไม่ทิ้งนี่แต่สภาวะที่เรารู้มันจะที่ พอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บมันจะแยกกับโลกอย่างหนึ่งโลกีวิสัยโลกุตระโลกีวิสัยโลกียะโลกุตระมันจะแยกแล้วมันพอแยกพอเข้าใจรูปนามปั๊บอันนี้เป็นกายนี่มันจะเป็นแยกมาหมดอันนี้เป็นโลกุตระอันนี้เป็นโลกียะโอ้อันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นธรรมมันแยกไปหมดอันที่เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นศีลเป็นสมาธิอันนี้เป็นศีลอ่าสังคมอะไรมันแยกไปหมดมันแยกไปหมดไม่ต้องสงสัยเลยความสงสัยจะหมดไปทันทีนี่ดังนั้นการเข้าใจอารมณ์รูปนามเนี่ย ปัญหามั น, มนพิสูจน์ได้เลยแล้วว่าเราได้ของจริงหรือได้ของเทียมถ้าหากว่าเราได้ของจริงความสงสัยละ่ะดังที่กล่าวมาวจะหมดจะไม่มีสงสัยอะไรเลยแม้แต่ว่าคนอื่นจะมาพูดหลวงพ่อเทียนจะมาบอกว่าไม่ใช่คุณในรู้ไม่จริงดอกก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อใครแม้ต่หลวงพ่อคำเีย็จนะเออเนี่ยหลวงพ่อให้รู้ไม่จริงดอกก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันมั่นใจของเราที่มันขณะที่มันแตกโพรงออกมานั้นลิจิตของเราเนี่ยมันมั่นใจอ ย, อย่างนี้นี่คือเราได้จากรูปนานจริงๆงแต่ที่นี่ รูปนามถ้าหากว่าเราได้จากรู้จารู้จักมาหรือเราคิดมาอันนี้มันจะไม่พังออกไปความสงสัยบาปบุญอะไรมันจะไม่พังแต่มันพูดได้แต่มันไม่เป็นมันรู้แต่มันไม่เห็นเข้าใจแต่มันไม่เป็นนี่รู้แต่มันไม่เห็นเข้าใจแต่มันไม่เป็นนะรู้ได้เทศได้พูดได้แต่มันไม่แต่มันไม่เป็นนี่แต่มันไม่เป็นรู้แต่มันไม่เป็นนี่เข้าใจแต่มันไม่เห็นนี่ยในจุดนี้เอง เคลลับของการจเจริญสติมีจุดนี้มีจุดนี้จุดที่เด่นที่สุดมีจุดนี้ทีนี้พอเข้าใจอารมณ์รูปนามชัดเจนแล้วเนี่ยนะหากว่าอารมณ์ที่ปทัทโนเกิดขึ้นมาปั๊บเราอย่าไปกับความรู้สิ่งเหล่านี้อย่าไปกให้กลับมาอยู่สติกับกายอย่างเดิมนะอย่าอย่าเข้าอยู่กับอันนี้ให้กลับมาอยู่กับสติอยู่กับกายอย่างเดิมก่อนให้มาจับอยู่กับรูปนามอย่าทิ้งตัวนี้ไม่ได้ถ้าทิ้งตัวนี้ก็เหมือนเราใตา่ สะพานแผ่นเดียวข้ามข้ามห้วยถ้าเราไม่มีลาวจะต้องตกน้ำทันทีนี่ดังนั้นสติกับกายเหมือนลาวเหมือนลาวหรือเหมือนเรือข้ามฝั่งเรานั่งบนเรือเนี่ยข้ามมันจะพาเราไปเองนั้นเราต้องกลับมาอยู่กับความรู้สึกกับกายก่อนกลับมาอยู่กับกายนี้ละอยู่กับตัวนี้อย่าอย่าไปทิ้งตัวนี้นะให้ยืนหยัดตัวนี้ให้ดีๆแม้ว่าอารมณ์อะไรมาจะดีจะขนาดไหนมันจะเลิศเลอมันจะพูดเจีงขนาดไหนก็อย่าไปโยนเชื่อ อยไปด่วนเทีาไหร่อยไปด่วนตามนะให้มันเย็นซะก่อนสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจริงไหมจริงอารมณ์มิปัทโนเป็นรู้จริ ง, ร ไ, มปปรงไม่ใช่รู้ไม่จริงเด้แต่ว่าถ้าเราไม่หลงถ้าเราหลงถ้าเราหลงไปเป็นอุปาจิเลตถ้าไม่หลงมันจะกลายเป็นส ต, ติปัญญานี่แล้วให้เราให้มันเย็นซะก่อนให้อารมณ์นี้มันเย็นซะก่อนดังนั้นพูดที่พูดธรรมะจริงเก่งเนี่ยถ้าผ่านอารมณ์มิปัทโนเพิ่มนีคน่คนไหนกับคนไหนไปถ้า พ, พูดเก่งมากเลยละ่ะพูดเก่งเลย แย่แยอะไรเสี่ยงแล้วมีคนมาถามปาหาไม่จนตอบได้เรื่องอารมณ์อะไรตอบได้หมดต้นมันอยู่จุดนี้เอาต้นนี้ให้ดีเนี่ดังนั้นหลวงพ่อคำเสียงเคยพูดกับพวกเราว่าว่าคันจับอารมณ์รุบนานมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามันมันค่อยมันเอียงไปทางมัศทางผลแล้วมันไม่ไม่มีคืนอีกมาแล้วเหมือนเราขึ้นหลังคาหรือขึ้นเขาภูเขาสูงๆูมีทางแต่ดไปทางโน้นไม่กลับทางเก่า มันตามความเข้าใจของผมเองก็เหมือนกันอาจจะกลับไปอยู่อย่างอย่างเดิมเนี่ยไม่ไปหล้วมันไม่ไปแล้ ว, ลวจะไปทําอย่างเก่าอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ไปแไม่ไปมันอายมันทา ร, รพัดอย่างเห็นมัน เ, เห็นเบื่อเสียงไปหมดน่นะเห็นการเหนื่อยน่ายไปหมดเห็นการคลองเรือนเห็นการเป็นอยู่เห็นการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันมันมันเห็นแต่มันมันมันมันกลัวไปหมดมันไม่อยากคืนไปแล้วมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยอารมณ์รูปนามเท่านี้แหละผมว่ามันไม่ต้องเอาอะไรมากมายขนาดนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วทีนี้ถ้าเราได้อันนี้แล้วเราจะเป็นอย่างไงถ้าได้อารมณ์รูปนามดีนะถ้าหากว่ามันเริ่มเริ่มเริ่มสงบลงแล้วนะเริ่มเริ่มหยุดฟุ้งแล้วพูดง่ายๆก็หยุดคือมันฟุ้งมันลูปมากมันฟุ้งมากพอมันหยุดฟุ้งอยู่นะทีนี้เราทําความเพียรเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนที่นะ่ะจาก จากอารมณ์รูปนามเนี่ย ท, JOHN ทีนี้มันมันจะเราจะต้องเลี่ยงความเพียรมากๆอีกนะทีนี้เราทําไปทําไปมันจะเป็นไม่มีรสไม่ชาดละเหมือนไม่อะไรได้ทําไปซื้อๆลอยๆไม่เหมือนไม่ไม่ไม่มีตื่นเ e ต้นไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์รูปนามเนี่ยจากจากอารมณ์ไปตกวิผ่าไิจารนมาอารมณ์รูปนามมันตื่นมันเ e ต้นรูปอันหนึ่งมันดีใจปุ๊บรูปหนึ่งมันดีใจปุ๊บมันดีใจปุ๊บมันเหมือนเหมือนอย่าง Awards, นัก với, มวยเขาต่อยมวยเนี่ย อมีลูกน้องเคียี์เคลยร์นนี้มันมันมีกําลังใจคืออารมณ์เนี่แหละมันมันมันมีกําลังใจให้เราปฏิบัติมากก่แรกแต่พอเข้าใจอารมณ์รูปนามแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วทีนี้มันจะเป็นเรื่อยๆไปแล้วเป็นเฉื่อๆไม่มีอันไรไม่ไม่ได้อะไรนะเนี่ยทําไมผมไม่ได้อะไรนาะเนี่ยมันได้ลักษณะนั้นเนี่ยลักษณะนั้นมันจะเฉื่อๆมันจะเฉเซไปแล้วไม่มีรถไม่มีชาติไม่มีตื่นไม่เต้นนะ ไ ม, ม่ตื่นไม่ค่อ ย, อยค่อยไปเรื่อยค่อยไปเรื่อยนู่รักษาดนั้นแต่ทีนี้เราเริ่มทําความเพียนให้มากๆหยุดเนี่ยเรื่องความเพียนอีกระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปามารมัตต์หัวเรี่ยวหัวต่อระยะนี่แหละเราจะเริ่มเริ่มจับความคิดรเริ่มรู้ความคิดแล้วคือเราจับสติให้มั่นมั่นเราอย่าไปดูความคิดตรงๆให้ดูกับสติเนี่ยขณะที่มีสติอยู่ดูกับตัวรู้เนี่ยพับเผอพับน่น เราดูตรงมันเผอนะเผอ น, นั่นเป็นความคิดแล้วไม่ใช่ว่าเราคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้นอดีตนะก็โอ้อันนั้นมันไม่ต้องพูดกันอันนั้นมันคิดมันมันห ย, ยาบหยบแล้วเราสังเกตดูว่าขณะที่มีสติอยู่เนีเย่เยเด้อเด้อเพอเผยมันจะเป็นความคิดพอเผยมันจะเป็นความคิดให้เราดูให้เราดูแอบแอบดูดูอย่างนั้นอยา่าอย่าไปดูตรงๆดูความคิดอย่าไปดูตรงๆแท้ๆเราทํานั่งดูความคิดมันไม่เห็นดอกเรานั่งไม่เห็นเพราะว่าถ้าเรามีสติ ไม่ว่าจะดูความคิดดูอย่างอื่นนะครับมัไม่เกิดสตินะมันจะคลุมทันทีเลยล่ะแม้แต่ว่าดูผู้หญิงเนี่ยลองก็ได้ลองดูผู้หญิงแคเดินตาดูดีดิเพ่งแล้วแล้วก็แล้วก็วิจารณลองดูวิจารจาเป็นยังไงมันจะไม่มีปฏิยาได้พอเราดูกับสติแต่ทีนี้พอพอเรามาเดินจมกลมมันจะเกิดขึ้นมาทันทีได้ปะนี่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเนี่ยเนี่ยมันจะปรุงทันทีดังนั้นสติเนี่ยดูอะไรดูอะไรมันก็ไม่เกิด ดูความคิดความคิดความ่เกิดนะถ้าดูถ้าเราดูตรงๆดูสุดๆแต่พอเผยมันจะเกิดนี่พอเผอมันจะเกิดนั่นดังนั้นเราเราเราจะไปดูตรงๆให้ดูกับความรู้สึกให้ดูกับความรู้สึกนี่โูกความรู้สึกดูมันเลยไปสักหน่อยดูความรู้สึกอยู่คอยดูเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อเขาเขียนเปรียบเทียบให้พวกเราฟังว่า เราดูขโมยจะมาลักของเราบนบ้านเรานั่งอยู่เดี๋ยวลับๆพอเห็นกันขึ้นมาป่ะอืมเนี่ยมันก็ไม่กล้าลักความคิดก็เหมือนกันก่อนที่มันจะคิดเนี่ยเราหลงสั ก, ก่อนตาไปที่มีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันมันมันไม่คิดมันไม่หลงหลงเมื่อใดคิดเหมือนนั้นหลงเมื่อใดคิดเหมือนนั้นเราสังเกตสังเกตขึ้นมาใ ห, ให้ให้ความสังเกตด้วยขนาดที่รูปเกิดขึ้นมาจากตา มันพอใจแล้วมันพอใจนั่นนั่นมันเริ่มสอนเราแล้วเราก็สามาเห็นก่อนเออตาเห็นรูปนี่มันมันไม่พอใจใช่ตามไหมเราก็ดูมาอีกนั่นนั่นเราเริ่มจะเริ่มจะเห็นเหรียญใจแล้วนั่นโอ้มันเกิดจากใจนด้เกิดจากความคิดถ้ามีสิติรูปนี่มันก็ขาดให้เราดูกับสิ่งเหล่านี้ดูความผิดอย่าไปดูอย่าไปดูซื่ออะไรเกิดจากหูมันส่งไปหาใจใจมันขูนขึ้นมาเรามาดูใจ อย่าไปดูอย่าไปดูหูอย่าไปดูรูปอย่าไปอยู่กับรูปอย่าไปอยู่กับหูอย่าไปอยู่กับคนนั่นอย่าไปอยู่กับให้มาดูใจให้กลับมาดูใจเดีวยวกลับมาดูใจนี่คือการขมโกรธก็ดีความคิดก็ดีมันเป็นการเคลื่อนไหวของจิตเป็นการเคลื่อนไหวของใจดังนั้นเราดูการเคลื่อนไหวของกายที่เรากําหนดดูกายเนี่ยนี่ให้เราดูจนชัดเจนเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของกายเราหัดดูก่อน ถ้าเราเห็นเคลื่อนการเคลื่อนไหวของกายชัดเจนแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของใจเราก็เห็นเมื่อเราเห็นอันนี้แล้วนี่แหละเราจะเห็นวัตถุปรมาตย์อาการลักษณะอารมณ์รูปนามปรมณปรมาตย์จะต่อหัวเรี่ยวหัวต่อนี้มันอยู่่ตรงนี้ดังนั้นมันจะเกิดอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยเช่นอารมณ์วิปัสสนูจิตยานวิปัสสาจะเกิดหัวเรี่ยวหัวต่อนี้ตรงนี้เองตรงนี้เองจะยุดจะจะจะเกิดจุดนี้ นะจะเกิดจากนี้ถ้าเราเขาจะวัตถุปณอาการไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดเกิดไม่ได้แล้วมันมันพ้นไปแล้วเกิดอยู่จุดนี่เมื่อเกิดมันเป็นไงพอเกิดอารมณ์ของวิปัสสุขขึ้นมาพักนี่มันจะเก่งจะกลก้ามันสารภาพยอย่างมันโอ้มันด่ามันว่าเราก็กลับมาตั้งหลักไหมตั้งหลักกับทตศนิอยู่กับกายสต่ท้าจากนี้อีกถ้าผ่านด่านนี้ได้แล้วเนี่ยนะอารมณ์วิพัตถโนจินยานวิปลาสสามอย่างถ้าผ่านด่านนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติ แล้วทีนี้ก่อนที่จะผ่านด่านนี้เป็นผ่านด่านใหญ่ด่านใหญ่เป็นอุปสรรคที่สุดในการจเจริญสติคือด่านนี้ด่านแต่ก่อนที่แรกเราเข้าใจอารมณ์รูปนามเราคามาจากสติเข้ามาหาอารมณ์ของวิภากษวิจารณ์หรืออารมณ์ของความวง่วงอารมณ์ของอารมณ์ามกามอันนี้เราก็าด่านใหญ่แล้วแต่ว่าด่านที่เราจะหัวงเรี่ยวหัวต่อระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปรามัตต์อันนี้ได้ยิ่งด่านใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเรื่องต่อไปนี้มันจะลู่เรื่องของจิตคือเราจะไปเห็นความชิดจะไปดูความชิดมนะันมีอุบายที่สับสนมากการดูความชิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูได้ง่ายๆการเห็นความชิดก็ไม่จะเห็นง่ายๆการจะเห็นกิเลสตัณหาราคาอุปทานเนี่ยไม่จะเห็นได้ง่ายๆถ้าจิต ใ, ใจของเราถ้าสติของเราไม่คมหรือไ ม, ไม่แหลมมากนะ่ะมันจะไม่เห็นจุดนี้ดังนั้นเนี่ที่เราจะดูจุดนี้ขอให้เราสร้าง สตินี่ให้แหลมคมมากความเพียรเราให้ต่อเนื่องที่สุดนะแล้วเราก็พยายามดู อ, อย่างหลงพ่อเรียกราเรื่อยๆนั่นแหะดูศึกษาจากกายเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วอรูปของกายจับได้ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาดูการกระทบขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยายามรู้ตัวนี้อีกดูตัวนี้ก็เหมือนเราดูกายเคลื่อนไหวให้มันชัดเจนนะระหว่างหัวเรี่ยวหัวต่ออันนี้เนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส หน้ายางเนี่ยนี่เราก็ดูให้มันชํานาญเหมือนเราดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างนี้เราอย่าไปดูลวกลวกเดียไปเห็นกายแล้วโอ้ยไม่มีวันดูใจไม่ใช่เจ้าเป็นขั้นเป็นตอนเอาออกอยากดูกายแคบเยนแล้วเรามาดูรูปเสียงเกิดลดซ้ำมาเรามาสังเกตจุดนี้ดูจุดนี้ดูดีๆดูให้ทันมันดูให้ทันดูให้มันอให้ให้ให้มันมันสะดุดถ้าเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยทีนี้ ทำมารมที่เกิดจากใจคือความคิดนะนี่แหละพอเราพอเรามาดูตัวนี้มันจะเห็นเพราะอะไรเพราะรูปตาเห็นรูปมันไม่ใช่ตามันเป็นใจเนี่ยมันสอนเราให้รู้ใจแล้วเด้เนี่ยเนี่ยแต่ก่อนมันสอนเราให้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาที่นี่มันสอนเราให้รู้ใจแล้วหูได้ฟังเสียงมันไม่ใช่มันไม่ใช่หูนะมันเป็นใจเริ่มทำสังเกตการเคลื่อนไหวของของใจแล้วที่นะ่นะ จะมูกได้กินเลี้ยในรถกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเก็บปวดอะไรต่างๆมัน okay. มันมันมันมันมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มมาโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมที่ใจเด้อเนี่ยมันจะมารวมแล้วที่ีหนมันจะมันจัดมันรวมแล้วรวมที่ใจแล้วเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่เมื่อเห็นอย่างนี้มันรวมที่ใจแล้วทีนี้ ท, ทํามาลมหรือความคิดเกิดมาปึ๊บมันก็เห็นหนึ่งละโอ้ความคิดนี่ มันก็เป็นรูปเด้นี่นชิดเน่ยมันก็เป็นรูปพอรูว่าชิดพับมันจะหยุดนี่นี่แหละท่านเรียกว่านามรูปไม่ใช่รูปนามเลยนี่อารมณ์ของเลืหองของต่อมันจุดนี่นี่พอเห็นความคิดนั่นละ่ะคือจะเลิ่อนคือเห็นนามรูปแล้วคือเห็นความคิดแล้วนี่จุดนี่จุดนี่นี่ขอให้เราเดินถึงจุดนี่ถ้าเห็นความคิดแล้วเออแบบที่เราจะคลายหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรดูดูอย่างเดียวคือดูความคิดคือดูใจขนาดที่ใจมันคิดโอ้เราก็รู้แล้วตาส่งไปหูส่งไปมันก็รู้แล้วมันจะยืนหยัดอยู่กับตัรู้ตัวเดียวทีนี้กายสํากายกายเคลื่อนไหวไปมาก็รู้แล้วเวทนาเกิดเวทนาเกิดมาเวทนานอกก็รู้เวทนาในอกระู้นี้แต่ตัวรู้ตัวเดียวเดียเอารู้ตัวเดียวนี่คือสภาวะพุทธะแท้ๆพุทธสภาวะ ที่มันอยู่ในคนทุกคนที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกหรือหลวงพอ่อเทียนท่านพูดเรื่องการจเจริญติไม่มีนิ่งใจไม่มีสะอาดนะไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นท่านว่านี่แล้วเราก็เลยยืนหยัดอยู่กับตัวรู้ตัวนีน้มันคิดก็ช่างไม่คิดคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้เดินจะเคลื่อนไว้กายก็รู้เลยไม่มีอะไรที่จะทำแต่ถ้าการปฏิบัติธรรไม่มีอะไรที่จะทำเลยนี่นี่ไม่มีอะไรจะมีแต่การดูการรูก้การสังเกตเท่านี้ก็มีเท่านี้ และร่าการที่พูดมากระเฮตจะสมควรแวก่เราเขาจบในเพียงตอนนี้นะครั